หลักทั่วไปพุทธพจน์จากฌานสูตรภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายเราอาศัยปฐมฌานก็ได้อาศัยทุติยฌานก็ได้ ต, ตัตยฌานก็ได้จตุทถตฌานก็ได้อากาสานัญญายตนะก็ได้วิญญาณัญญายตนะก็ได้อากินจัญญายตนะก็ได้ เนวะสัญญาณาสัญญายาตนะก็ได้สัญญาเวทายตะนิโรธก็ได้ความต่อจากนี้ในพระสูตรนี้และความในพระสูตรอื่นอีกสามแห่งคือมหาลุงกโยวาทสูตรอัฏฐกะนาครสูตรทัสมาสูตรปัญญายวิธีใช้ฌานสมาบัติแต่ละขั้นแต่ละขั้นในการพิจารณาให้เกิดปัญญารู้แจ้งสังขารตามความเป็นจริง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 รั้นแล้วเธอย่อมน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่านั่นสงบนั่นประณีตกล่าวคือนิพพานเธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายถ้ายังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะเพราะยังมีธรรมราคะก็จะเป็นโอปปัตติกะเป็นผู้ประริณิพานในภพนั้น มีอันไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาคือเป็นพระอนาคามีต่อจากนี้บรรยายการอาศัยทุติยชาตตัดิยชาญเพื่อเจริญวิปัสนาจนบรรลุอาสวะไขอย่างนี้เรื่อยไปตามลำดับทีละขั้นทีละขั้นจนถึงอากินจัญญายตนะชาญในมหามาลุงกโยวาทสูด แสดงรายละเอียดน้อยกว่าแต่ก็กล่าวถึงการพิจารณาขันห้าที่มีในฌานแต่ละขั้นโดยไตรลักษณ์จนบรลุอาสวะขายอย่างเดียวกันนี้ตลอดขึ้นไปถึงอากินจัญญายตนะฌานเช่นเดียวกันส่วนในอัถกะนาคราสูตรและทัสมสูตรมีข้อแตกต่างเล็กน้อยคือข้อความที่ปัญญายการพิจารณาแปลกอกไปว่าภิกษุ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 ย่อมบรรลุ ค, ความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายที่นี่เพิ่มเมตตาเจโตวิมุตติการุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติอุเบกขาเจโตวิมุตติเข้ามาแทรกระหวางรูปฌานกับอรูปฌานอีกทำไม่มีฌานสมาบัติสำหรับพิจารณาเพิ่มขึ้นอีกสี่ขั้น อย่างไรก็ตามรวมความแล้วพระสูตรทั้งสี่นี้มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันปิดแผกกันบ้างก็เพียงในส่วนรายละเอียดและวิธีบรรยายความเท่านั้นพระสูตรทั้งสแสดงการอาศัยฌานเจริญวิปัสนาธรรมอาสวะไขตามลำดับแต่ปทมฌานถึงอากินจัญญายตนะแล้วก็หยุดลงทั้งหมดมีพิเศษแต่ในชานสูตร ซึ่งมีคำสรุปว่าภิกษุทั้งหลายด้วยประการชนิแลสัญญาสมาบัติคือสมาบัติที่ประกอบด้วยสัญญามีแค่ใดอัญญาปฏิเวทการตรัสรู้หรือการบรรลุอรหัตผลก็มีแค่นั้นข้อนี้หมายความว่าในฌาน ตั้งแต่อากินจัญญายตนะลงไปมีสัญญารวมถึงการอื่นๆที่ประกอบร่วมสําหรับให้กําหนดพิจารณาได้จึงทําวิปัสนาให้บรรลุอาสวะไขได้ในชาเหล่านั้นส่วนเนวสัญญาณสัญญาญตนะมีสัญญารวมทั้งการอื่นๆที่ประกอบร่วมซึ่งละเอียดเกินไปจนเรียกว่าเนวสัญญาณสัญญา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 จะอาศัยเนวะสัญญาณาสัญญาญตนะและสัญญาเวทอิตานิโรธบรรลุอาสวะไขได้อย่างไรตอบว่าสำหรับสมาบัติสูงสุดสองระดับนี้ต้องออกมาก่อนจึงใช้ปัญญาพิจารณาสังขารให้บรรลุอาสวะไขได้ข้อแรกคือเนวะสัญญาณาสัญญายตนะ พึงดูบาลีในอนุปทศสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายข้ออื่นต่อไปนี้สาวรีบุตรก้าวล่วงอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าเนวสญญ า, นาสัญญาณสัญญายตนะอยู่เธอมีสติออกจากสมบัตินั้นรันออกจากสมบัตินั้นอย่งมีสติแล้วธรรมะเราใดล่วงไปแล้ว ดับแล้วแปรบรวนไปแล้วเธอพิจารณาเห็นธรรมะเหล่านั้นว่าธรรมะทั้งหลายอย่างที่ทราบมาก็เป็นอย่างนี้เองไม่มีแล้วก็มีแกเรามีแล้วก็ดับหายพึงเทียบกับคำบรรยายการพิจารณาสังขารในอากิญจญญายตนะ ซึ่งไม่กล่าวถึงการออกจากชา น, นั้นแม้ชาตอื่นๆที่ต่ำลงไปทั้งหมดก็อย่างเดียวกันดังความในสูตรเดียวกันนี้เองว่าข้ออื่นต่อไปอีกสารีบุตรก้าวลวงวิญญาณนัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วมนาศิการว่าไม่มีอะไรเลยเข้าอากินจัญญายตนะอยู่ธรรมะเหล่าใดในอากินจัญญายตนะ คืออากินสัญญายตนาสัญญาจิตเตกัคคตาภสษะเวทนาสัญญาเจตนาวิญญาณฉันทะอธิโมกวิริยะสติอุเบคามรรณสิการธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยที่เธอรู้ปรากฏอยู่ก็รู้ถึงความดับก็รู้เธอทราบชัดดังนี้ว่าธรรมะทั้งหลายดังได้ทราบมา ก็เป็นอย่างนี้เองไม่มีแล้วก็มีแกเรามีแล้วก็ดับร่วงไปในจุนลนิเทศซึ่งเป็นคำภีร์ชั้นรองมีคําบรรยายเกี่ยวกับการพิจารณาในว่าสัญญาณาสัญญายตนะคล้ายกับบาลีข้างบนนั้นว่าเข้าเนวสัญญาณาสัญญายาตนะสมาบัติ ออกจากสมาบัตินั้นแล้วเพ่งดูคือตรวจดูพินิจดูพิจารณาดูซึ่งธรรมะทั้งหลายคือจิตและเจตสิกที่เกิดแล้วในสมาบัตินั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของทุกข์โดยความเป็นอนัตตาโดยความไม่เป็นที่รอดพ้นคือไม่เป็นทางอิสระแต่เมื่อสอบสวนดูกับบาลีต้นเดิมแล้ว ลงความเห็นได้ว่าในวาสัญญาณสัญญายาตนาสมาบัติที่นี้เป็นคำคลาดเคลื่อนที่ถูกควรจะเป็นอากินจัญญายตนาสมาบัติและอัตถกะถาก็ยืนยันตามที่ลงความเห็นนี้ได้กล่าวแล้วในเชิงอัดก่อนว่าคำภีชั้นรองและคำภีรุ่นหลังทั้งหลายบรรยายการพิจารณาสังขาร หรือเจริญวิปัสนาต่อเมื่อออกจากฌานสมาบัติแล้วเป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นฌานสมาบัติขั้นต่ำหรือสูงเท่าใดส่วนข้อสุดท้ายคือสัญญาเวทายิตนิโรธมีคำอธิบายทำนองเดียวกันคือเข้าสมาบัตินี้รันออกแล้ว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 ข้อนี้จะได้กล่าวต่อไปอีกในฐานะที่เป็นหลักการขั้นมาตรฐานสูงสุดสำหรับฌานสมาบัติที่ตามลงมาคือตั้งแต่อากินจัญายาณะถึงปฐมฌานจะออกจากฌานสมาบัตินั้นๆก่อนแล้วจึงพิจารณาสังขารธรรมคือขันห้าหรือองค์ฌานเป็นต้นที่มีในฌานสมาบัตินั้นๆ ทำนองเดียวกับสมาบัติสูงสุดสองอย่างหลังนี้ก็ได้คำว่าออกจากสมาบัติในกรณีนี้เทียบกับความหมายชั้นอัตถกถาหมายถึงออกจากภาวะจิตที่ได้กำลังจากฌานสมาบาัตินั้นด้วยคือไม่ใช่ฌานสมาบัตินั้นเป็นบาทแต่เท่าที่ยกหลักฐานข้างต้นนี้มาแสดงก็เพื่อให้เห็นข้อพิเศษว่า ในฌานสมาบัติเหล่านั้นสามารถเจริญวิปัสสนาภายในโดยยังไม่ออกมาก่อนก็ได้และจะบรรลุอรหัตโดยใช้ฌานระดับไหนก็ได้แต่สมาบัติสูงสุดสองอย่างคือเนวะสัญญาณสัญญายตนะและสัญญาเวทยายตนิโรธหรือนิโรธสมาบัติต้องออกมาก่อนจึงเจริญวิปัสสนาได้ สำหรับเนวสัญญาณาสัญญ า, ญญายตนะไม่ใช้ในการเจริญวิปัสนาดูบันทึกพิเศษท้ายบทข้อปฏิบัติอย่างที่กล่าวมานี้เป็นปฏิปทาของผู้ปฏิบัติที่มีชื่อเรียกในสมัยอัทธกถาว่าสมัฏญานิกและว่าผู้มีสมัะเป็นญาณ อย่าในที่นี้สะกดด้วยย่อยักษ์นะครับคือบาเพ็ญสมถะจนได้ฌานก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสนาและนับว่าเป็นวิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งในบรรดาวิธีสี่อย่างที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีคือ